ทีนี้ข้อต่อไปว่าก็ภิกษุเป็นอัดถันยูเนี่ยเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้จักเนื้อความแห่งภาสิต น, น, นั้นว่านี้เป็นเนื้อความแห่งภาสิตนี้ภาสิตนี้แปลว่าคำพูดว่าคำพูดนี้มีความหมายอย่างนี้คำพูดนี้มีความหมายอย่างนี้เนี่ยนะ หากพิสูจนไม่พึงรู้เนื้อความแห่งภาสิทธนั้นว่านี้เป็นเนื้อความแห่งภาสิทธนี้นี้เป็นเนื้อความแห่งภาสนะิทธนี้เราก็ไม่พึงเรียกว่าเป็นอัฐานอยู่แต่เพระเาะพิสูจรู้เนื้อความแห่งภาสิทธนั้นว่านี้เป็นเนื้อความแห่งภาสนะิทธนั้นฉะนั้นเราจึงเรียกว่าเป็นอัฐานอยู่พิสูจเป็นธรรมมันอยู่อัฐานอยู่ด้วยประการชนีอันนี้เรียกว่าคนรู้อัฏฐะหลายคนอาจจะรู้ธรรมะเช่น รู้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยรู้ธรรมะแต่ว่ารูปหมายความว่ายังไงเนี่ยไม่รู้อันนี้เรียกว่าไม่รู้อัถะรู้ว่าเวทนาเวทนามีสามแต่เวทนามีเนื้อความเป็นยังไงมีความหมายเป็นยังไงไม่รู้เนี่ยนะจำแนกแจกแจงอะไรไม่ได้เลยอย่างนี้แหละก็เรียกว่าไม่รู้ธรรมไม่รู้อัธะเนี่ยนะหรือเช่นคนที่สวดอิติปิโสได้อย่างนี้นะ เป็นคนรู้ธรรมะแต่ถ้ารู้ความหมายของทุกๆบทอย่างนี้ก็เรียกว่ารู้อัท ธ, ธะนะอันนี้เรายกตัวอย่างอิติปิโสมานะเช่นคนที่บอกว่าอารหังเนี่ยนะเข้าใจอ่ะนะแยกศัพท์ได้เลยว่ามาจากศัพท์ไหนบ้างอาระหะอย่างเงี้ยนะแล้แยกศัพท์โดยตามหลักไวยากรณ์ได้เป๊ะหมดเลยอย่างนี้นเรียกว่ารู้ธรรมะ แ, แล้วอรหังเนี่ยมีความหมายขอบเขตว่ายังไงไกลาจากกิเลสกําจัดฆ่าสึกคือกิเลสหักเสกกรรมแห่งสังสาระจักเป็นผู้ควรแก่ของเอาไปทําบุญไม่มีความลับในการกระทําบาปนะอันนี้เป็นตัวอย่างหัวข้อใช่ใชถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้เรียกว่าเข้าใจอัทธะนี่นะเข้าใจอัทธะอันนี้ก็นับว่ารู้ยากคือพระไตยปิฎกเนี่ยนะที่ทั่วๆไปแล้วท่านบอกว่าพระไตรปิฎกคือธรรมะ อัตกะาคาอธิบายขยายความพระไตรปิฎกทั้งหมดเป็นอัฏฐะเนี่ยนะเป็นอัฏฐะแต่ถ้าไม่เข้าใจความหมายในในพุทธพจน์แต่ละคาแต่ละคาเลยจะเรียกว่ารู้จักอัฏฐะได้อย่างไรเนี่ยนะจะชื่อว่ารู้จักอัฏฐะได้ยังไงไม่ไม่ชื่อว่ารู้จักอัฏฐะรอกเนี่ยนะเพราะว่าเข้าใจจำเนกแจกแจงเนื้อความของพระธรรมแต่ละบทแต่ละบทมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเนี่ยนะ หรือพูดอีกในหนึ่งเนี่ยนะถ้าพูดถึงขันท่าแล้วสามารถจําแนกแจกแจงขยายขันท่ามองเห็นขันท่าโดยความเป็นอริยสัตว์อย่างนั้นได้เรียกว่ารู้อัฏฐ์เนี่ยนะรู้อัฏฐ์เช่นรูปในฐานะเป็นทุกขสัตว์อย่างนั้นนะก็แยกแยะสงเคราะห์ได้หมดเลยอย่างนี้เรียกว่ารู้อัถฐ์ก็แสดงว่าคุณมิลาวันรู้แต่ธรรมะก็รู้สมมตินะว่ารู้เท่าเนี้ย เรรู้อริยสัจสีเนี่ยเอ๊แต่จะตึกไปในรู้ว่านี้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเรียกว่ารู้ธรรมะแต่ว่าเอ๊ะทุกมันเป็นยังไงสมุทัยเป็นยังไงนิโรธเป็นยังไงมรรคเป็นยังไงไม่รู้อย่างนี้เรียกว่าไม่รู้อัตถะนั่นนะเรียกว่ารู้แต่ธรรมะคําว่ากุศลอกุศลเนี่ยนะรู้แต่ว่าเอ๊ะกุศลเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไงมีอัตถะว่ายังไงไม่รู้อย่างนี้เรียกว่าไม่รู้อัตถะนะนะ ท่องได้เลยว่าจิตมี89หรือ121ดวงกามาวจรจิตมี54ดวงเนี่ยนะอกุศลแล้วก็ไล่มาว่ากามาวจรจิต54ดวงคืออะไรบ้างอกุศลจิต12องอหตุฐกุจจิต18บแกามาวจรสโผนจิตยีิบสีอกุศลจิต12ดวงคือโลภภาพมูลจิต8โลภภาพมูลจิต8ดวงที่1คือโสมนัสสาสะขตังทิฏฐิคตะสัมปายุตังอสังคาริกังเนี่ยนะ อ่าพอพอได้แค่เนี้ยถามว่าถามต่อไปบอกไม่ได้ละถ้าอยากรู้แค่เนี้ยเขาเคยเรียกว่ารู้อัถะเออรู้ธรรมะแต่ก็มาแยกสาวะโสมนัสเนี่ยหมายความว่ายังไงอ่นะทิศที่ตะสัมปยุทธ์เนี่ยมันคือยังไงอสังขาริกเนี่ยมันแค่ไหนอ่นะแล้วในธรรมะเหล่านั้นมีอะไรประกอบจะแนกแกะแจ่งแยกแยะได้หมดเลยอย่างเงี้ยแค่ก็รู้อัถะเนีนะแต่ถ้ารู้ธรรมะก็ได้แต่ชื่อบางงั้นเนี่ยได้แต่ชื่อมา ก็ได้ยี่ห้อมาก็ยังดีวันหลังเผื่อเผื่อจะรู้ความหมายต่อไป<ม>แต่ถ้าชื่อจำไม่ได้เนื้อความก็ก็แย่ท่านอาจาร ย, ย์กลังจะพูด่งนเดียวว่าเคยเรียนเรื่องเดียวกันนะคะที่บอกว่าธรรมะหนนะคะและอาบถหน้านะคะรวมแผนทิศนะค ะ, แ, ะและ้วปดอะไรอีกสิท่ายเคยสอนแล้วแต่ว่าไม่เข้าใจตรงนั้นแล้วก็อยากจะไปดูแล้วมันเล่มไหนก็ถาไม่เจ อ, เ, จ อ, จอเลยอมันเล่มไหนแล้วอาจารย์แปลว่าอะไรคุณทเรนนี ก็เข้าใจเขาถามอะที่เคยเรียนเรื่องอัฏฐปฏิสัมพิทาธรรมปฏิสัมพิทาแล้วอัฏฐมีห้าธรรมะมีห้าแล้วก็เรียกว่าบวกกันเรียกเป็นสิบจะดูได้ที่ไหนดูได้ในเล่มหกสิบแปดนนะหกสิบแปดขยายปฏิสัมพิทาแล้วก็ดูอีกที่หนึ่งก็คือวิสุทธิมัตปัญญานิเทศนะนะวิสุทธิมัตปัญญานิเทศหกเล่มนก็มีภาคหภาคสาม มีอยู่เล่มที่ห้าเล่มที่ห้านะขยายประเภทแห่งปัญญาว่าด้วยปัญญาหมวดสี่คือปฏิสัมพิทา4ี่นะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็ดูในปฏิสัมพิทาวิพังอยู่เล่มหกสิบแปดเล่มเจ็ดสิบแปดอีกที่หนึ่งนะไปดูตามนั้นเราหกสิบแปดใช่ เอาเราก็เปิดดูไว้ส่วนที่อยากรู้สิเปิดอ่านทั้งเล่มอ่านทั้งเล่มี่มกระเจ๋วแล้วเป็นอาาัฐะครับเป็นอาาัฐะแค่อย่างนั้นเป็นอาาัฐะอัฐะของเนื้อความนั้นๆ ถ้าเป็นสาวกจริงๆเนี่ยจะขยายไม่พลาดถามว่าทำไมไม่พลาดเพราะท่านถ้าท่านไม่รู้ท่านจะบอกว่าท่านไม่รู้เพราะฉะนั้นท่านจะไม่พูดให้มันพลาดก่อนท่านเดาเอากะเอาจะไม่มีที่เป็นสาวกนั้นเคยถึงไม่เคยฟังอ่ะนะท่านฟังปับ๊บท่านจะเข้าใจทันทีเลยนะว่าหมายถึงอะไรเค้า ร, ารู้พุทธประสงค์เลยที่พระพุทธเจ้าเทศเนี่ยเทศว่ายังไงพระองค์ต้องการอะไรแล้วท่านจะรู้เนี่ยนะ ทีนี้ถ้าท่านไม่รู้นะท่านจะไม่พูดเด็ดขาดนะเนียท่านจะไม่พูดเพราะอะไรเพราะว่าท่านนั้นท่านจะพูดตามที่ท่านรู้จริงๆแต่ก็มีหลายๆเรื่องอะนะเช่นสิ่งที่ท่านไม่รู้แล้วนะท่านไม่คิดต่อไปเลยอ่ะพระส า, ารีบุตรหรือพระอานนท์หรือพระ อ, อ, นนห ร, อรหันต์หลายๆรูปพระพิสุหลายๆรูปท่านเข้าไปในสํานักของปริพาชกอัญญะเดรธี ท่านไปถึงและเดรัธี <sk r isa> เขาจะประกาศลัทธิของเขาว่าเขามีทิฏฐิอย่าง น, างนี้อย่างนี้นะทิศุเหล่านั้นเนี่ยจะนิ่งหมดเลยจะไม่โต้อตอบต่อไปท่านคิดว่าท่านจะเข้าใจเนื้อความของภาษิตเนี้จากพระพุทธเจ้าท่านยังไม่คิดตามเดรัธีเพราะว่าเดรัธีเนี่ยรู้ก็พูดไม่รู้ก็พูดรู้บางไม่รู้บางก็พูดไปเนี่ยนะท่านยังไม่คิดต่อท่านจะไปฟังว่าพระพุทธเจ้าจะพูดยังไงจะตรัสยังไงแล้วท่านจะไปค่อยคิดตามพระพุทธเจ้า เนะี่ยท่านจะเอาแบบนั้นเอาเนะี่ยอันนี้คือส่วนที่ท่านไม่รู้ท่านยังไม่ไม่คิดต่อไปฉะนั้นเป็นความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ทั้งหลายท่านเป็นแบบนั้นเนะี่ท่านแบบมั่วนิ่มแล้วก็มาแกม้มาหักมาล่างแบบนี้ไม่มีเนีย่ยนะ <c oughs> ก็สังเกตดูนะว่าใครรู้อัดธรรมะเนี่ยก็เหมือนกับอ่านพระไตรปิฎกจบแล้วอ่านแล้วเมืดหมดเลยไม่รู้ท่านว่าอะไรนะแต่ว่าจําพยัญชนะได้อย่างก็รู้อัดรู้ธรรมะ แต่ถ้ารู้อัฏฐาก็คือไปอ่านอัตถคฐาแล้วเข้าใจนัทุกบททุกบททุกบทเนี่ยแต่ยกตัวอย่างว่าใครที่ท่องพระสูตรได้ทั้งสูตรเนี่ยนะผู้ที่ท่องได้อันนี้เรียกว่ารู้ธรรมะแต่แล้วมาแยกด้วยบทนี้เป็นศีลบทนี้เป็นสมาธิบทนี้เป็นปัญญาบทนี้เป็นทุกบทนี้เป็นสมุทัยบทนี้เป็นนิโรธบทนี้เป็นมร์บทนี้เป็นนิพานและแยกแยกเข้าใจอย่างนี้เรียกว่ารู้อัฏฐาเนี่ยนะรู้อัฏฐา ก็ก็อย่างที่เคยแนะนําว่าอ่านพระไตรปิฎกนะถ้าเข้าใจธรรมะก็คืออ่านไปเรื่อยๆไปก็เออพอจับอะไรได้บ้างแต่ถ้ารู้อัฏฐะก็คือบอกว่าเอ๊ะนี่บทนี้เป็นทุกขสัจนะบทนี้เป็นสมุทยนะัยสัจนะมีความรู้ความเข้าใจลักษณะนี้อันนี้ก็เรียกว่ารู้อัฏฐะเนะีนะ่ยนแล้ถ้ารู้อัฏฐะยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกก็รู้ว่าทุกนี้ควรกาหนดรู้เนี่ยนะนะนะด้วย ไอ้กำหนดรู้ของเราเนี่ยนะถ้าไม่ต่อเลยด้วยด้วยอะไรนนะน เ, เนี่ยนะมันก็เออเนี่ยก็กําหนดแล้วอ่ะเออเนี่ยทุกละแต่แต่ถ้าบอกว่ากําหนดรู้ด้วยปริญญาเนี่ยนะด้วยปริญญาก็ว่าด้วยเครื่องมือเนี่ยนะทีนี้ต่อไปอัตตันยูรู้จักตนนี่มันเป็นยังไงเนี่ยนะดูความพิสูจ ก็ภิกษุเป็นอัตตันยูเนี่ยอย่างไรเป็นผู้รู้ตนเนี่ยนะภิกษุในธรรมวิไนนี้ย่อมรู้จากตนว่าเราเป็นผู้มีศรัทธาศีล ส, สุตะจาคะปัญญาปฏิพาณเพียงเท่านี้รู้จักตนก็คือรู้จักความสามารถของตัวเองเนะว่าตัวเองเนี่ยมีศรัทธาเท่าไหร่มีศีลอยู่แค่ไหนมีสุตตะเนี่ยมีความเข้าใจอะไรมาบ้างมีจาระ นนะการเสียสละอะไรไปบ้างมีปัญญาแค่ไหนมีปฏิพานไวพ้พริบฉลาดแค่ไหน น, นผู้ที่รู้อย่างนี้เรียกว่ารู้จักตนถ้าภิกษุไม่พึงรู้จักตนว่าเราเป็นผู้มีศรัทธาศีลสุตะจากข้าปัญญาปฏิพานเพียงเท่านี้เราก็ไม่พึงเรียกว่าอัดตันยูเรียกว่าไม่รู้ขีดความสามารถของตัวเองเลยนะจะเรียกว่าอัตันยูรู้จักตัวเองไนดะ้ยังไง แต่เพราะพิกษุรู้จักตนว่าเราเป็นผู้มีศรัทธาศีลสุตะจาระปัญญาปฏิพานเพียงเท่านี้ฉะนั้นเราจึงเรียกว่าอัดตันยูพิกสุเป็นธรรมมันยูอัดถันยูอัดตันยูด้วยประการเชน่นี้นะตอนนี้สําคัญนะรู้จักตัวเองเนี่ยนะหนึ่งว่าตัวเองนี่มีศรัทธาเท่าไหร่คําว่าศรัทธานี้เชื่อแล้วใครพาว่าอะไรก็เชื่อหมดอย่างนี้หรือเปล่าเรียกว่าศรัทธา อะไรและศรัทธาเป็นยังไงเอา้าก็รู้ด้วยจิตเห็นเนี่ยก็ด้วยวิญญาณเหมือนงั้นเดี๋จิตได้ยินก็โสตะวิญญาณอะ่ะก็วิญญาณละไอรู้แล้วมันได้งานได้การเนี่ยรู้แบบไหนรู้อะไรเรียกว่ารจึงมีศรัทธาอ่าใช่นะก็คือเลื่อมสายว่ารู้ตัวเองว่าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแค่ไหน พอพูดถึงพระพูเทอเจ้าเนะเราผ่องใสขนาดไหนศรัทธานี่อีกชื่อนึงว่าภาษาธาเะยศรัทธาภาษาธาก็คือความเลื่อมใสความผ่องใสอ่ะนะเรารู้ว่าเอ้เรานี่เชื่อพระพุทธเจ้าแค่ไหนคิดถึงพระพู้เทอเจ้าผ่องใสมากไหมคิดถึงพระธรรมแล้วผ่องใสไหมคิดถึงพระสงค์เนี่ยผ่องใสไหมรู้จักตัวเองเลยขึ้นมาทันทีเนีย่ยนะอันนี้แหละเขาเรียกว่ารู้จักตัวเองว่ามีศรัทธาไหมเวลาวันรู้จักตัวเองแล้วนะนึกถึงพระพูเทอเจ้าปั๊บ รู้เลยว่าสมนัตหรืออุเบกขาใช่ไหมศรัทธาว่าอย่างไงอ๋ออันนี้ศรัทธาในตัวเองมั้งอันนี้ไม่ได้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในตัวเองนะนะหมดีนะเราได้นับถือพระพุทธเจ้าอันนี้ไม่ได้นับไม่ได้ศรัทธาตัวพระพุทธเจ้าแต่ศรัทธาตัวเองแคอย่างนี้ถ้าศรัทธาในพระพุทธเจ้าบอกโอ้โหพระองค์นี้เป็นพระอรหันต์นะ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเป็นผู้ประกอบด้วยวิชาและจารณะนะอันนี้ เ, เรียกว่าศรัทธาในพระองค์แต่แล้วถ้าศรัทธาในตัวเองก็บอกแหมเป็นราบเหลือเกินนะที่เราได้นับถือผู้ที่มีคุณเช่นนี้เช่นนี้แต่อย่างที่คุณว่ามันศรัทธาตัวเองอนะเออฉันนี่ดีนะได้นับถือว่าพุทธเจ้าทองใสไหมอทองบั้งนะทีนี้ศีลต่อไปนะเรารู้ว่าเราเนี่ยมีศีลแค่ไหน เชน่นเจตนาศีลเรามีแค่ไหนเอาตัวศีลเลยนะไม่ใช่หรือถ้าจะเอาตามสิกขาบทก็ได้แต่นี้เอาสภาวะของศีลเช่นเรามีเจตนาศีลแค่ไหนก็รู้มีเจตสิกศีลแค่ไหนมีสังวรศีลแค่ไหนมีวิอวิติกมะศีลเนี่ยแค่ไหนก็ะนะสิ่งเหล่านี้มันเป็นทรัพย์อยู่แล้วใช่ไหมว่าเราดูที่ว่าเราล้วงเข้าไปแล้วมีทรัพย์อยู่เท่าไหร่เนี่ยนะก็ล้วงเอาแต่เ ร, เรามีศีลแค่ไหน เจตนาศีลเช่ น, นเจตนางดเว้นกับเจตนาปฏิบัติเรามีมากมายก็เช็คตัวเองหน่อยนะรู้จักตัวเองดีหรือว่าสังเออชอบงเจตสิกศีลเนี่ยอะโทสะเรามีแค่ไหนอะโลพาเรามีแค่ไหนอะโมห์เนี่ยนะสัมมาทิฏฐิเรามีแค่ไหนหรือสังวรศีลขันศีละสังวรสติสังวรญาณสังวรวิริยะขันติสังวรสังวรที่ปิดบาปอกุศลเหล่านี้เรามีแค่ไหนแล้วก็ไล่ไปอีกว่า อวีติกมะเนี่ยการไม่ล่วงละเมิดรับอารมณ์ทั้งหลายไม่ล่วงละเมิดเช่นไม่ล่วงการมฉันทะด้วยเนคข ม, มะเนี่ยนะแต่ถ้าย้อนนั่งลึกเลยก็คือไม่ล่วงปานาติบาตด้วยเจตนาที่เว้นจากปานาติบาตก็ไล่ามากุศลกรรมบดเสกแล้วไล่สูงขึ้นไปอีกว่าไม่ล่วงกามาฉันทะด้วยเนคข ม, มะไม่ล่วงพยาบาทด้วยอัพยาปาทะไม่ล่วงทีนามิธาด้วย โลกสัญญาไม่ล่วงวิจิกิจชาด้วยการกําหนดธรรมไม่ล่วงอวิชชาด้วยด้วยญานะเนียน ะ, ะไม่ล่วงอารติด้วยปรามโมทหรือไม่ล่วงนิวรห้าด้วยปฐมไม่ชาไม่ก้าวล่วงวิตกวิจารด้วยตูติยาชานนะรู้ว่าตัวเองเนี่ยล่วงอะไรมาได้บ้างคือคือไม่ละเมิดแห้สิ่งที่ต่ําๆลงไปเนี่ยด้วยกุศลอะไรอย่างนี้เรียกว่าเราเนี่ยมีศีลแค่ไหนก็รู้จักกําลังของตัวเองอันนะกําลังคือศีลเนี่ย เราแข็งแรงขนาดไหนมีอรหัตตมัคอรหัตผลนาหตาแต่จริงๆท่านบอกว่าไม่ก้าวล่วงสากายยะทิฏฐิวิจิกิจชาด้วยโซดาปฏิมัคไม่ก้าวล่วงกิเลสอย่างหยาบด้วยสากัฏคามิมัคไม่ล่วงกิเลสอย่างละเอียดด้วยอนาคามิมัคไม่ล่วงกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตตมัคเนี่ยละถ้าอย่างนี้ก็หมายถึงก้าวล่วงขันด้วยนะครับ คือลงมาต่ำอีกหนเนยไม่ก้าวล่วงรูปธรรมด้วยกิลญาณอันนี้นะครับคือไม่ก้าวล่วงนีจจ่จะไม่ก้าวล่วงนี จ, จะสัญญาด้วยอนิจจานุปัสสนาอันนี้ไม่ก้าวล่วงอความเป็นทุกข์ด้วยทุกขสสุขาสัญญาด้วยทุกขานุปัสสนาก็คือลวิปลาสไม่ก้าวร่วงคือหมายว่าไม่ให้พวกวิปลาสมันเกิดขึ้นะนะด้วยอนุปัสสนาทั้งหลายอันนี้ก็เรียกว่าเป็นศีลเหมือนกันอันนี้กล่าวศีลตามปฏิสัมพันธ์ที่ทำมา ทีนี้รู้จักตัวเองว่าเรามีสุตตะแค่ไหนก็าตายวิโดกนี่เราอ่านอะไรมาบ้างเนไเล่มหนึ่งอ่านมาบ้างยังสองสามสี่ห้าไล่ไปเรื่อยจนถึงเก้าสิบเอ็ดอันนี้ไล่ก่อนนะไล่ว่าเคยอ่านวนะ่ามีสุตะมาไหมแล้วข้อที่สองเฮ้สุตตะของเราเราจำอะไรได้บ้างนะไล่ตั้งแต่เล่มหนึ่งถึงเล่มเก้าสิบเอ็ดนี้อะไรบ้างเราจําได้ทีนี้ข้อต่อไปไล่ไปอีกว่าเอ๊ที่เราจําได้นี่เราเข้าใจอะไรบ้าง เช่นอ้าวพรมชาลสูตรอ่านมาแล้วจําได้แล้วถ้าเราเข้าใจแค่ไหนกรมชาลสูตรเนี่ยนะก็อย่างนี้นะยกตัวอย่างเนี่ยไล่อย่างนี้ไปเรื่อยเรียกว่ารู้จักตัวเองว่ามีสุตะหรือเปล่ารู้จักตัวเองว่าเรารู้อะไรบ้างเราเข้าใจอะไรบ้างหรือว่าเอะกอไม่รู้ไปทุกเรื่องเลยนะก็ไม่ใช่เหมารวมแบบนี้นะแยกว่าเราส่วนไหนเราเข้าใจแล้วส่วนไหนเรายังไม่เข้าใจแล้วทําไมเราจึงเข้าใจเข้าใจเพราะอะไรเนี่ยนะก็ก็ สำนวนเราฟอกตัวเองเก่งอะนะซักฟอกตัวเองโดยที่ไม่ต้องรองให้คนอื่นมาถามให้คนอื่นถามเรากลัวว่าเขาลองภูมิเราเราก็จะมีโทสะเพราะเรามีภูมิใช่ไหมเรามีกิเลสสะภูมิอย่างเงี้ยนะตอ น, นึกว่าเขาอื่นมาลองจริงเราก็ถามตัวเองว่าเราเข้าใจอะไรบ้างเรารู้อะไรบ้างรู้ลําดียังไงเนี่ยนะรู้แล้วช่วยอะไรได้บ้างเนี่ยนะก็ถามแบบนี้เพราะอย่าลืมว่าการศึกษาพระธรรมคําสอนเนี่ยนะไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อให้ม ง, งมไงใช่ไหมแต่ว่าตอบได้ทั้งหมดเลย เนี่ยนะว่าเพราะอะไรทําไมเนี่ยนะก็ตอบได้หมดแหละทีนี้เรามีจ่าค่าอะไรบ้างเสียสลาภายนอกกับภายในเนี่ยนะภายนอกก็คือเราให้ทานเป็นนิดไหม้นะมียินดีในการให้คู่ควรต่อการขอนะเหมือนกับเป็นคนมีมือล้างสะอาดนะนะพร้อมที่จะหยิบยื่นให้หมดเลยอย่างนี้มีไหมอันนี้วัตถุภายนอกวัตถุภายในเนี่ยนะกิเลสเราลดลงบ้างรึเปล่านะค่าไล่แบบหยาบๆนะไอ้ที่ทูตีนี่เรา ล, ลาดลงไปไหม โทสะที่ทําให้ผิดศีลโลภะที่ทําให้ผิดศีลโมหะที่ทําให้ผิดศีลเราลดลงไปไม้มหรือเมตตาเราเพิ่มขึ้นไหมอย่างงี้ไหมผู้มีคุณพิจารณาแบบนี้เราเ่ามีจักพระแล้วก็มีปัญญ า, เร า, ญญาเรามีปัญญาไม่รู้เหตุเกิดของวัฏตะดีไห ม, ไมวัฏฏะมันเกิดยังไงแล้ววัฏฏะจะดับได้ยังไงมีปัญญาอันนี้ไหมต่อพิจารณาตัวเองว่าเรารู้อันนี้หรือยงงังว่าสัชงสารวัฏมันเกิดได้ยังไงถ้าวัฏฏะสงสารจะดับดับได้ยังไง นะอันนี้เรว่ามีปัญญาส่วนข้อต่อไปก็คือมีปฏิภาครู้แล้วมันพูดไม่ได้กระเรือแล้วพูดได้รู้ได้เวลาเขาถามนี่ลืมหมดเลยเขาไม่ถามอยู่คนเดียวเนี่ยนึกได้ใช่งไงนะก็บางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะโอ้ตึกธรรมะได้ไหนคุณลองว่าให้ฟังลืมหมดเลยนะเรียกว่าปฏิภาไม่ค่ม่ดีชี้แจงไม่ได้แค่เข้าใจนี่ก็ยากเลยนะแล้วเอามาพูดก็ยากขึ้นไปอีก มีขั้นตอนเยอะๆไปหมดเลยส่วนเหล่านี้อีกชื่อหนึ่งเรียกว่าศรัทธาศินสุตตะจาระค้าปัญญานะเพิ่มปฏิภา น, นอีกคำหนึงจริงส่วนเหล่านี้ก็คือซัพย์กันนะแอลยาซั์ภายในโอ้นั่รู้ว่าตัวเองมีหรือไม่มีแต่ถ้าไม่รู้จักตัวเองเนี่ยจะรู้เรียกว่าถ้าไม่รู้เลยว่าเราเนี่ยมีศรัทธาศินสุตตะจาระค้าปัญญาปฏิภานแค่ไหนอ่ะ จะอัตตันยูได้ยังไงถ้าไม่รู้ใช่ไหมก็ไม่เรียกว่าอัตตันยูแต่เพราะรู้ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นยังไงอันนี้แหละเขาเรียกว่าอัตตันยูรู้จักอัตตา <c oughs> อัตตาไม่ไหมหมายถึงส ก, กายาทินตินะรู้จักว่าตัวเองมีส ก, กายาทินติไม่ใช่อันนั้นนะแต่หมายถึงอัตตาในที่นี้ใช้คําว่าอัตตาก็คือภายในอ่นะอัชตาหมายถึงภายในตัวเองว่าตัวเองนี่มีคุณธรรมอะไรไบ้างถ้ากล่าวถึงมีคุณธรรมอย่างนี้ก็เท่ากับบอกว่า เราละบาปอกุศลอะไรไปบ้างแล้วก็ตรวจสอบตัวเองทีนี้ต่อไปมัดตันยูพิสุนะมัดตันยูว่าก็พิสุเป็นมัดตันยูอย่างไรพิสุในธรรมวินัยนี้รู้จักประมาณในการรับกีวนบิณฑบาตเสนาสนะและกีลานปจาัจจัยเพศักบริยครั้งหากพิสุไม่พึงรู้จัก ประมาณในการรับกีวร์บินพบาทเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเภสัชบริหารเราก็ไม่ถึงเรียกว่าเป็นมัดตันอยู่แต่เพราะพิ่สุรู้จักประมาณในการร yani <IS> ับกีวร์บินพบาทเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเภศัชบริหารฉะนั้นเราจึงเรียกว่ามัดตันอยู่พี่สุเป็นคำมันอยู่อัดถมอยู่อัดตันอยู่มัดตันอยู่ด้วยประการฉะนั้นรู้จักประมาณในการรับภาว่าตรงๆเลย นะคราว่ารู้จักประมาณในการรับเนี่ยหมายถึงหนึ่งรู้จักตัวเองสองรู้จักทายกสามรู้จักวัตถุขั้นแรกก่อนนะครถ้าทายกเนี่ยมีของมากมีศรัทธาน้อยก็พึงรับแต่น้อยถ้าทายกมีศรัทธามากมีของน้อยก็พึงรับแต่น้อยถ้าทายกเนี่ยนะมีศรัทธามากมีของมากก็รู้จัก พอดีว่าประโยชน์เช่นว่าเขาถวายอาหารมานะจริงๆแล้วเราฉันแค่ไหนเราก็ควรเอาไปแต่แค่นั้นก็พอไม่ใช่เขาเอามาทั้งกะละมังหนึ่งเรายกไปทั้งกะละมังหมดเลยเน่ใช่ไหมก็คือรู้จักกําลังของตัวเองนะว่าจริงๆแล้วเราเอาไปฉันแค่ไหนเอาไปใช้สอยบริโภคเท่าไหร่เนี้ยรู้แบบนี้ก็เรียกว่ารู้จักรู้จักประมาณเนี่ยรู้จักประมาณมัตตะตัวนี้นะไม่ใช่แปลว่าสักว่านะไม่ใช่สักแปลว่ารู้เนี่ย มาตันยูเนี่ยทั่วไปเนี่ยมาตะาเขาทนิยมแปลว่าสักว่าสักว่าแต่ตัวนี้ไม่ได้สักว่ารู้เนี่ยไม่ใช่สักว่ารู้แปลว่ารู้ปริมาณรู้ประมาณว่าควรรับแค่ไหนควรบริโภคควรใช้สอยควรเสียสละไปยังไงควรสแสวงหาแบบไหนคือคือออย่างงี้เน่ว่า เราเราไปเขาถวายอะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยนะแล้วเราก็เอาไปเยอะแยะพรุงพลังไปหมดเขาจะรู้ไหมว่าเราเอาไปแบ่งคนอนื่นไหมไม่ว่าเขาเขาคิดว่าไอ้ตะกละาตะกลามอาไปเกินไปหรือเปล่าเขาก็ก็พิจารณาดูควา ม, หมออเหมาะสมนะแต่อย่าลืมว่าทางธรรมะเนะี่ยพระพุทธเจ้าสรรเสริญพระธรรมหากัสปะว่าอนันญญโปสีโปสีเนี่ยแปลว่าการเลี้ยงดู น, นะอนันญญโปสีก็คือผู้ไม่มีการเลี้ยงดูผู้อื่นเห็นไหม ก็ไม่ได้มาปริพโคดกังวลว่าเอ๊ะคนนั้นได้อยู่หรือเปล่าคนนี้ได้ฉันหรือเปล่าคนนั้นหรือว่าหมามันกินหรือยังอะไรก็ไม่ต้องเจรินนะสามรารถธรรมศาสนาเนี่ยนะก็มานั่งเลี้ยงหมาไปเรอะเหมนกันหมามันกินหรือเปล่าตัวนั้นป่วยหรือเปล่าต้องส่งสัตวะแพทย์ดูหน้าุงสารท่านเหลือเกินนะไม่ใช่ใครสิกษาสักข้อเลยอ่ะที่ว่าไปเนะี่ยไม่ใช่สามณธรรมสักอันเลยแต่ไม่เป็นไรถึวงเวลาวันถ้าจะตั้งโรงทานเลี้ยงหมาไปเรื่อนยะ นี้ก็ปิดห้ามแล้วประกอบคำพูดสนนะมีศรัทธาที่จะให้สุนัขเป็นปฏิคาห์หกประคำไปทีนี้ต่อไปนักการันยูการันยูก็การเหรอเนียรู้การที่สูในธรรมวินัยนี้รู้จักว่าการนี้เป็นการเรียนการนี้เป็นการสอบถามการนี้เป็นการประกอบความเพียงการนี้เป็นการดเูแล หากพี่สูงไม่ถึงรู้จักการว่านี้เป็นการเรียนนี้เป็นการสอบถามนี้เป็นการประกอบความเพียรนี้เป็นการหลีบร้นเราก็ไม่พึงเรียกว่าเป็นการลัมยูแต่เพราะรู้จักว่านี้เป็นการเรียนนี้เป็นการสอบถามนี้เป็นการประกอบความเพียรนี้เป็นการหลีบออกเร้นฉะนั้นเราจึงเรียกว่าการลัมยมรู้ว่าเอ๊ะเวลานี้พูดถึงแบบสมัยก่อนการเรียนสมัยก่อนกับสมัยนี้แตต่างกัน สมัยก่อนเขาจะรู้ว่าเอ๊ะเวลานี้เราต้องไปเรียนกาอาจารย์นะเวลานี้เป็นเวลาเรียนธรรมะของเราที่จะต้องไปอาศัยอาจารย์อาจารย์ก็จะบอกว่าเรียนอย่างนี้นะทรงตรงนี้จําตรงนี้ท่องตรงนี้อันนี้เรียกว่าการเรียนส่วนต่อไปก็คือไปพิจารณาที่เรียนไปทั้งหมดแล้วสงสัยตรงไหนก็เอาไปสอบถามเอาไปทวนถามอย่างนี้นเรียกว่ารู้การสอบถามปริปุชานะเข้าไปสอบถามให้รู้เวลาแล้วก็ แล้วรู้จักบุคคลที่เราจะไปถามด้วยไม่ใช่เอาวินัยไปถามนักอภิธรรมเอาอภิธรรมไปถามวินัยอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปถามผิดชั่วโมงนี้ก็ไม่ควรนะนะก็ถามให้มันเหมาะสมเงี้ยนะแล้วก็สมัยนี้เพิ่มมีอย่างหนึ่งก็บอกว่าดูอารมณ์คนตอบด้วยเหมือนกันเพราะงั้นแต่สมัยก่อนนนั้นก็ดูเวลาอื่นๆมาสมัยนี้ก็เพิ่มอีกอันนึงก็คือดูว่าคนตอบเขากําลังโศ ม, มนัดโท ม, มนัดหรืออุเบกขาอย่างไงก็พิจารณาให้เยอะๆหน่อ ย, อย เขากําลังกลัดกลุ่มเรื่องไหนก็ไม่รู้นะความรู้เรื่องนั้นก็ดีอะ่ะแต่ว่าเราไม่ไปรู้เลยนะไปถึงกระทำอย่างงี้แล้วก็เขาอาจจะไม่ได้เกิดวิจิตรจริตออกมานะแล้วเราจะบอกว่าเขาไม่ดีไม่ได้เพราะเราไม่รู้เวลาเองเ <c oughs> ช่นไปให้คนที่เขากําลังป่วยยกของให้อย่างนี้ไนหะถ้าก็ต้องไปคอยให้เขาหายป่วยก่อนแลค่อยให้เขายก น, นะนะ <c oughs> ก็ต้องรู้เวลาบ้าง <c oughs> ว่าต้องต้องยอมรับมันนะว่าเราเนี่ยเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าก็ให้ให้รู้ความพอดีให้รู้ความเหมาะสมนะนะนะก็มีเรื่องหนึ่งะ ไปถามมนะันเสนอไอ้เรื่องที่เราเสนอมันก็ดีอ่ะแต่ว่าเราไม่ได้ดูลมดูฟ้าดูอากาศดูอะไรสักอย่างเลยนะก็เลยคำนวนว่าเหมือนฟ้าผ่ามาเลยแบบนั้นเดี๋ยมันก็ต้องอการรู้เวลาเนี่ยสําคัญมากและอย่างหนึ่งเมื่อรู้การเรียนการสอบถามเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วรู้ว่าการนี้เป็นการประกอบความเพียรเวลานี้นะเราต้องแบ่งเวลาว่าเวลานี้เป็นการไข้ควรวนเจริญสมถะเจริญนิพพานาเนี่ย คือการที่โยคยีนะก็คือประกอบในการเจริญสมถวิปัสสนาก็รู้เวลาแล้วรู้เวลาด้วยเวลานี้จะจะเจรจรีเกร้นแค่นี้นะรู้เวลากายวิเวทเนี่แค่ไหนเราจะวิเวกไดไ้วิเวกไม่ได้เพราะรู้การเรียนการสอบถามการประกอบความเพียรและการหลีกเกร้นเพราะรู้สี่ประการนี่แหละก็เลยเรียกว่าเป็นผู้รู้การถ้าไม่รู้สี่ประการนี้ก็เรียกว่ากคนไม่รู้การ ไม่รู้อะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะการรันอยู่จำนวนเราสมัยใหม่ก็แบ่งเวลาให้มันถูกนะนะรู้จักแบ่งเวลาว่าอะไรควรทำอะไ ร, รอะไรควรทาอะไรทีนี้ต่อไปปริษัทอยู่รู้บริษัทก็พิสูุเป็นปริสัทอยู่คือรู้บริษัทนี้อย่างไรพิสูนในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้จักบริษัทว่านี้บริษัทกสัตย์ นี้บริษัทเครหาบดีนี้บริษัทสัมมณะนะในบริษัทนั้นเราพึงเข้าไปหาอย่างนี้พึงยืนอย่างนี้พึงทําอย่างนี้พึงนิ่งอย่างนี้หาพิสูจน์ไม่รู้จักบริษัทว่านี้กษัตริย์บริษัทกษัตริย์นี้บริษัทเครหาบดีนี้บริษัทสัมมณะนนว่าในบริษัทนั้นเราพึงเข้าไปหาอย่างนี้พึงยืนอย่างนี้พึงทําอย่างนี้พึงนิ่งอย่างนี้นะ ถ้าหากว่าไม่รู้อย่างนี้เราก็ไม่เรียกว่าเป็นบริสันต์อยู่เรียกว่ารู้จักบริษัทอะไรแต่เพราะพิสุรู้จักบริษัทวันนี้บริษัทกษัตริย์นี้บริษัทครือหาบดีนี้บริษัทสมณะในบริษัทนั้นเราพึงเข้าไปหาอย่างนี้พึงยืนอย่างนี้พึงทำอย่างนี้พึงนิ่งอย่างนี้เราจึงเรียกว่าปริสัอยู่พิสุเนเะรียกว่ารู้จักบริษัทนะ รู้จักบริษัทก็คือรู้ว่าควรเข้าไปหายังไงควรยืนยังไงควรทํายังไงควรพูดยังไงควรนิ่งยังไงก็อันนี้แหละเรียกว่ารู้จักบริษัทอย่างแท้จริงไม่ใช่รู้จักบริษัทก็คือรู้จักใครเฉยเฉยเนี่ยนะไม่ใช่รู้จักใครแต่ควรรู้จักว่าควรเข้าไปเกี่ยวข้องในลักษณะไหนนะเมื่อการที่เรารู้ว่าบุคคลทั้งหลายแหละเราควรเข้าไปเกี่ยวข้องในลักษณะไหนอันนี้เรียกว่ารู้บริษัท ส่วนข้อที่เจ็ดเนี่ย น, นะก็คือบุคคลปรโรปารัญยูเรียกว่ารู้จักความยิ่งความหย่อนของบุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวขอ้อง น, นะว่าพูดแต่เราทั่วไปก็รู้จักขีดความสามารถของบุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องว่าเขามีขีดความสามารถขนาดไหนภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้รู้จักบุคคลโดยส่วนสองคือบุคคลสองจำพวกพวกหนึ่งต้องการเห็น พรริยะพวกหนึ่งไม่ต้องการเห็นพระริยะบุคคลที่ไม่ต้องการเห็นพระริยะพึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นๆบุคคลที่ต้องการเห็นภระริยะพึงได้รับการสรรเสริญด้วยเหตุนั้นนั้นอันนี้แยกว่าบุคคลเนี่ยแบ่งออกเป็นสองพวกนะพวกหนึ่งอยากเห็นพระริยะพวกหนึ่งไม่อยากเห็นพระอริยะแต่ถ้าเราจะยกย่องอ่ะถ้าเราจะติตาหนิเขาเสียดายชาติเกินนะเขาไม่อยากเห็นพระริยะ ส่วนถ้าจะชมก็บอกเออดีนะเขาอยากเห็นทาริยะนะก็แยกติแยกชมนะอันนี้ชุดแรกก่อนให้รู้ว่าบุคคลเนี่ยมีสองพวกพวกอยากเห็นทาริยะกับพวกไม่อยากเห็นทาริยะต่อไปบุคคลที่ต้องการเห็นทาริยะก็มีสองพวกคือพวกหนึ่งต้องการจะฟังสัตธรรมพวกหนึ่งไม่ต้องการฟังสัตธรรม บุคคลที่ไม่ต้องการฟังสัตยธรรมพึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นนั้นบุคคลที่ต้องการฟังสัตยธรรมพึงได้รับการสรนเสริมด้วยเหตุนั้นนั้นจริงไหมบางคนนี่อยากเห็นพระเฉยเฉยอ่ะอยากไปกราบกราบแล้วก็กลับเท่านั้นแหละบอกว่าเดินทางสักไกลเลยนะไปเห็นพระเพื่อจะได้ไปกราบแต่ว่าไม่ได้อยากฟังท่านพูดอะไรเนี่ยนะไม่ได้อยากฟังท่านเทศท่านอรไปแค่ไปเห็นเนี่ยก็พอใจละบางเจ้าเคยได้ฟังมาเขาบอกว่าไปอยากไปเห็นพระบางรูปเนี่ยนะ ไปแล้วไม่ได้เห็นร้องไห้เลยขนาดนั้นแต่เห็นก็ไม่ได้หมายอยากจะไปฟังท่านพูดอะไรนยนะเห็นเห็นกราบก็พอละอันนี้กลุ่มแบบนี้ก็มีคือไม่ได้ต้องการฟังต้องการเห็นเฉยเฉยเนี่ยนะเห็นด้วยจากครูวิญญาณนี่แหละไม่ได้ต้องการโสตวิญญาณอะไรเพิ่มมากอันนี้บุคคลกลุ่มที่สองก็แยกเป็นสองนะต้องการเห็นเฉยเฉยกับต้องการเห็นเพื่อฟังธรรม พวกอยากเห็นเฉยๆก็น่าตําหนิแห ม, มเห็นแล้วก็น่าจะฟังก็หน่อยนะอนีคือถ้าพูดแบบตอนนี้นะบางคนก็อยากดูพระไตรปิฎกเป็นยังไงนะแต่ว่าไม่ได้อยากอ่านอะไรเลยนะอยากเห็ น, เ, หนเล่มมารูปเล่มมาเล่มเป็นยังไงก็พอละคนหนึ่งก็อยากอ่านบุคคลที่ต้องการฟังสัตยธรรมะก็มีอยู่สองจำพวกคือพวกหนึ่งตั้งใจฟังอีกพวกหนึ่งไม่ตั้งใจฟังธรรม บุคคลที่ไม่ตั้งใจฟังธรรมพึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นนั้นบุคคลที่ตั้งใจฟังธรรมพึงได้รับความสัรเสริญด้วยเหตุนั้นๆเนี่ยเพวกฟังก็แบ่งออกเป็นสองนะพวกหนึ่งแบบนิ่งมากตั้งใจฟังเต็มที่เลยนะพวกหนึ่งก็คำว่าไม่ตั้งใจฟังนี่มันขอบเขตแค่ไหนให้ใครให้อัดถาอันนี้ดีเอาเอาการมินิเล่นกะันตั้งใจฟังนะถ้าไม่ตั้งใจมันเป็นยังไง อ๋อแล้ววันนีอาจารย์นี้บอกว่าหูฟังไปใจคิดถึงสวนอันนั้นเรียกว่าไม่ตั้งใจฟังนะนะฟังด้วยความฟุ้งซ่านนั่นแหละอันนี้เรียกว่าไม่ไม่ไม่ไมตั้งใจฟังหรืออีกทั่วๆไปก็ทำไม่ใหม่หมก็คือฟังด้วยนะท่านก็ว่าของท่านเราก็พูดของเราไปรายไปเนี่ยนะอันนี้อย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งก็คือพิเศษหน่อยนะตั้งใจจนหลับเลยอะ่ะไอ้พวกนี้ก็เรียกว่าไม่ตั้งใจฟังเหมือนกันนะนะ ก็คือมานั่งหลับมาไงไม่หลับบางทีก็ไม่รู้อันนั้นก็ตั้งใจแล้วก็ไม่รู้อะนะอ๋ออัน น, น, นี้อันนี้คนละคนละคนละยันกันะนะ <c oughs> อันนี้ถือว่าตั้งใจละยกย่องละอถ้าเทียบกับไม่ตั้งใจอ่ะนะก็ชมคนที่ตั้งใจอะ่ะอันนีน้ชุดที่สี่บอกว่าบุคคลที่ตั้งใจฟังธรรมก็มีสองพวกคือพวกหนึ่งฟังแล้วก็ทรงจําธรรมะไว้ อีกพวกหนึ่งฟังแล้วก็ไม่ทรงจําธรรมะไว้บุคคลที่ฟังแล้วไม่ทรงจําธรรมะไว้เพิ่งถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นนั้นบุคคลที่ฟังแล้วทรงจําธรรมะไว้เพิ่งได้รับการสันเสริญด้วยเหตุนั้นนั้นพวกพวกฟังนี่ก็สองประเภทอีกนะฟังแล้วเอารู้เรื่องก็พอละไม่ต้องไปจําอีกพวกหนึ่งบอกต้องจํำนะไม่จําแล้ววันหลังเอาไปทบทวนไม่ได้มันก็ต้องจํานะนะของเราไม่จําแต่โนต้ตเอากันแล้วกัน <c oughs> จําไม่ไว้เนี่ยนะให้สมุดมันจำให้ สมุดจำให้นะก็บางคนก็หลายคนก็เขาก็ไปพลิกๆดูนะก็ไปดูทวนแต่อีกไม่ใช่น้อยก็คือก็จดไปในห้องให้มือมันได้ไม่ว่างแค่นั้นนะมากลับไปก็เก็บไว้อย่างดีเลยนะ